บทที่23น้ำใจพฤหัสเร่งเช้าเร่งเย็นเซาซี้จองเลิกให้นัดแฟนสาวกับพี่สาวแฟนไปเล่นแบดมินตันด้วยกันอ้างว่าอยากเห็นหน้าอีกคนเหลือเกินว่าจะสวยสักขนาดไหนและความเพียรพยายามของพฤหัสก็บังเกิดผลจนได้จองเลิกยอมโอนอ่อนผลตามและรับปากว่าจะพยายามชวนแฟนสาวไปที่สนามใกล้บ้านหล่อนในวันเสาร์ ใจนึกสลดสังเวช ท, ที่ขีดความอิดช้าของเพื่อนหนุ่มพุ่งทะลุเพดานความละอายขนาดยอมหน้าด้านทวงคำตอบยิ่งกว่าเจ้าหนี้ทวงเงินถึงขนาดนี้เอาก็เอาสงเคราะห์มันซะหน่อยจะได้พาแฟนไปอวดเป็นการอัดฉีดความอิดช้าให้ป่งพองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยคืนวันศุกร์นั่นเองหลังกลับจากวัดช่วงดึกจองเิกก็โทรหานชะเลตามกิจวัตรของคนเพิ่งตกลงเป็นแฟนกัน เบื้องต้นพอทราบ ว, ว่าเจ้าอุ้ยโหยหยมาจอมแย่งเวลาถูกรถทับตายเขาก็ดีใจแทบกระโดดเพิ่งรู้สึกเป็นวาระแรกว่านัชเลตัวเปล่าสิทีแต่รักษากริยาไว้ได้อย่างสวยสดงดงามปลอบโยนด้วยน้ำเสียงอบอุ่นตามหน้าที่ของแฟนที่ดีเสียใจด้วยน้าทรายแต่มันคงถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนภูมินั่นเองทรายอุตสาเตรียมสเสบียงไว้ให้มันตั้งเป็นกองภูเขา แถมมาตายตอนเพิ่งกลับจากเวียนเทียนเสียอีกจังหวะเหมาะจริงๆถามแบบกะว่าถ้าหล่อนจะซื้อเขาจะหวานล้อมทักท้วงคงไม่หอกอ้าวทำไมละ่ะกำลังมีไฟเรียนคอมมัง้งอยากทุ่มเวลาให้มากๆจองเรื่องยินดีปรีดาแทบเนื้อเต้นมันเป็นความภาคภูมิใจล้นเหลือที่ทราบว่าตนเข้ามามีบทบาทในชีวิตของนชเลอย่างแท้จริงแม้ฟังแล้วหายเหนื่อยเลย สายทุ่มเราก็จะทุ่มจะทำให้ซายเก่งเท่าเราให้ได้สองสามคืนที่ผ่านมาเริกทำให้ซายหูตาตื่นได้มากนะเพิ่งเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคุ้นหูคุ้นตาแท้จริงมีเบื้องหลังมีกลไกมีอุโมงค์และประตูลับหน้าพิศวงขนาดนี้ยิ่งรู้ยิ่งเหมือนดิ่งลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆหายสงสัยแล้วว่าทาไมโปรแกรมเมอร์เก่ง ถึงนั่งแช่หน้าคอมได้เป็น2ี่0ชั่วโมงได้โดยไม่พักผ่อนหลับนอนกันนั่นแหละหัวไวอย่างทายอีกหน่อยจะรู้ว่าชีวิตที่ติดคอมสนุกกว่าชีวิตที่ติดหมาขนาดไหนความจริงไม่ใช่ว่าทายพิสว่าสัตว์เลี้ยงไปหมดหรอกหลายปีก่อนหน้านี้เคยมีหมาแมวในบ้านทายก็ไม่ได้อะไรกับพวกมันนักกับอุ้ยโหยนี่เหมือนความผูกพันพิเศษเฉพาะตัวมากกว่าพรุ่งนี้ไปเล่นแบดกันไหม แฟนหนุ่มตัดบทถามไปอีกทางชอบเล่นมากเหรอแบดหนักเทนนิสกับปิงปองก็ถนัดเราชอบเล่นกีฬาที่ฝึกความไวทั้งสายตาและการเคลื่อนไหวตอบสนองวัตถุที่วิ่งวิ่งมันช่วยให้หัวแล่นปรูดปราดดีสายควรหมั่นเล่นกีฬาพวกนี้บ้างถ้าอยากคำนวณเร็วๆคิดโปรแกรมเก่งๆ เ, เกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวสี่พอร่างกายกระฉับกระเฉงความคิดอ่านก็จะแล่นฉวเป็นเส้นตรง ไม่เฉยชาไม่วกไปวนมาอืมหล่อนคิดนิดหนึ่งก่อนตอบตกลงก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าเล่นไม่เก่งนะแล้วเหนื่อยง่ายด้วยอยากชวนพี่สาวสายไปด้วยไหมล่ะเอาไปรุมเราคนเดียวหรือผลัดกันเข้าออกตอนเหนื่อยนัชเลยิ้มแบบเแบะบมุมปากหน่อยๆจะควงสองสาวระดับบา ร, รมีซ้ายขวาเลยเหรอเราเดินตามหลังก้มหน้าจ้องจองหิ้วกระเป๋าแบตให้ก็ได้ ภาพออกมาคงดูแตกต่างจากที่ทายคิดเด็กสาหวหัวเราะแล้วเลิกจะมากี่โมงเล่นตอนเช้าดีไหมอากาศกําลังสบายก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงอเผอิญขณะนั้นละองฝนเปิดประตูเข้ามากะจะคุยเล่นตามประษา พ, พี่น้องพอเห็นนัชเลกําลังถือกระบอกโทรศัพท์ก็เอ่ยขอโทษเบาๆและจะหับประตูคืนแต่นัชเลเรียกไว้เสียก่อนอ้าวฝนมาพอดีเลยนี่ มีหนุ่มชวนเธอไปเล่นแบดแน่หือะไรใครชวนเลิกนะพรุ่งนี้ว่างไหมสนใจหรือเปล่าเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะซีตีลูกไม่ค่อยจะถูกเรื่องเล็กเดี๋ยวจะหาไม้แบดที่ทำจากกระด้งให้แล้ะอองฝนหัวเราะหึ่ยหึ่เลิกชวนไปสนามไหนล่ะใกล้บ้านเราซอยตรงขวามือเนี่ยอ๋อใกล้บ้านเหรอเราะองฝนทำท่าไ ต, ต, ตรตรองนิดหนึ่ง นึกสนุกประกอบ ก, บกับการอยากไปเป็นเพื่อนน้องสาวเลยถามว่านัดกันเมื่อไหรล่ล่ะตอนบ่ายสามฝนมีเรียนสบายมากทันถมเถเล่นกันตั้งแต่แปดโมงเช้าจะกลับมางีบก่อนไปเรียนยังทันงั้นเอาก็เอาตอบตกลงแล้วก็ผละจากไปเพื่อให้น้องสาวคุยกับแฟนต่อตามสะดวกโอเคแล้วดีเลยทรายกับพี่สาวท่าทางสนิทกันดีจังนะ ชนไปไหนก็ไปป่านแต่อยากให้เน็บเพื่อนไปสักคนไหมล่ะจะได้ครบคู่นชเลนิ่งไปนิดหนึ่งก่อนตอบแล้วแต่เลิกสิอย่าเอาแบบพูดจาไม่น่าฟังมาล่ะโอ้ยรับรองหมอนี่พูดเก่งเก่งแบบเจ้าชู้ก็อย่าเอามาใกล้พี่สาวสายแล้วกันงั้นเราจะพยายามกันๆเอาไว้คิดต่อไปด้วยว่าแม้แต่นชเลเองก็เถอะประมาทไม่ได้เขาจะกันๆไว้ด้วย ที่ยอมให้เจ้าเพื่อนรูปหล่อมาร่วมแบดก็เพราะอยากให้มันอิจฉาเท่านั้นไม่ได้คิดเปิดโอกาสให้พูดคุยกับแฟนเขาแต่อย่างใดคณะนักแบดบินตั้นนัดพบกันตรงประตูทางเข้าสนามจองเริกกับเพื่อหัดมาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยจึงเป็นฝ่ายนั่งรอกันที่โต๊ะหินหน้าอาคารกีฬาทั้งสองคนเล่นกันไม่เป็นเลยเหรอเพื่อหัสถามด้วยสีหน้าสดชื่นจองเิกยักไหลตอบก็น่าจะตีถูกอยู่บ้างมั้ง ยังไงพระคุณท่านก็ไม่ได้กะจะมาเล่นแบดกับสาวเก่งอยู่แล้วนี่จริงของมึงกูกะมาชมความงามของนักแบดมือใหม่นี่เนาะเขาพยายามซ่อนงำความกระตือรือร้นออกนอกหน้าไว้อย่างมิดชิดโลกนี้ต้องมีเขารู้อยู่แก่ใจเพียงลำพังว่ากำลังหลงคลั่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเห็นกันแวบเดียวและกำลังเป็นแฟนเพื่อนรักเกิดมาก็คราวนี้เองที่ฝันถึงเจ้าหล่อนเพียงคนเดียวติดติดกันทุกคืน ไม่มีเว้นวักบังเกิดความอยากยังไม่เคยอยากอะไรเท่าอยากเจอตัวจริงอยากพูดคุยอยากพาไปเที่ยวให้ไกลจากผู้คนและที่น่าแปลกประหลาดกว่าอะไรคือไม่ได้อยากแบบเคยๆอยากกับผู้หญิงอื่นพี่สาวแฟนมึงชื่อไรนะฝนอะไรกันกระสันอยากมาเจอเขาแต่จาชื่อเขาไม่ได้เพิ่งบอกไปเมื่อวานนี่เองก็ใช่นะซี ตอนนี้ในหัวเขามีแต่ชื่อทายเพียงหนึ่งเดียวจะเหลือที่ว่างบรรจุชื่ออื่นอย่างไรไหวมีกันแค่สองคนเหรอใช่แต่กูเพิ่งเห็นคุณน้าเมื่อคือนนึกว่าเป็นพี่สาวอีกคนของทายซิอีกเหรอเพื่อหัดไม่ใส่ใจนักเพราะคำว่าคุณน้าทำให้เขาไพร่นึกไปถึงผู้หญิงร่างสูงฉลูดที่ต้องละเลงครีมลบตีนกาอย่างขมขม้นทุกคืนตะกูลนี้หน้าตาดีกันทุกคน กูก็เดาว่าอย่างนั้นถึงอยากขอดูหน้าพี่สาวทายไงนั่นแหละต่อยกูขอพูดจริงจังอีกทีคือมึงจะทำหืน่นใส่พี่สาวทายไม่ได้นะโว้ยเกิดเรื่องเกิดราวเขาต้องร้องไห้ขึ้นมาเดี๋ยวทายจะพานเกลียดแล้วเลิกคบกูเอาหน้าเอมึงนี่เห็นกูเป็นยังไงนะเป็นไอ้กระล่อนเป็นไอ้เจ้าชู้เป็นไอห้หรอแต่หน้าทว่าหัวใจไร้คุณธรรมอ้าว ทำไมพูดเปรตๆอย่างนี้ล่ะก็มันเป็นความจริงถ้าบอกว่าเจ้าชู้เฉยๆถือว่าโกเกแต่พอเป็นคําด่าตรงๆเช่นไอ้กะล่อนไอ้หน้าหล่อไร้คุณธรรมพรหัสเลยเคืองเขาจ้องหน้าเพื่อนจริงจังเอานิ้วโป้งจิ้มอกตัวเองพูดเน้นทีละคำกูรักคนเป็นจ้องเลิกทำตาถลนเอานิ้วโป้งจิ้มอกตัวเองเป็นการเรียนแบบ เชื่อมึงกูโง่พือหัสทำตามไม่พอใจเอาเถอะมึงจะคิดยังไงก็อย่าให้คนอื่นเข้าหลงคิดตามแบบนี้ก็แล้วกันงั้นขอให้รู้ไว้คนอื่นเขาคิดเองเป็นอยากให้เล่าตามตรงไม่ว่าสายวิจาร์มึงยังไงเพื่อหัดขมวดคิ้วสงสัยครานครันจ้องเพื่อนตามไม่กระพริบเพื่อป้องกันการถูกแหกตาเห็นแวบเดียววิจารได้ด้วยแวบเดียวหรือสองแวบไม่สาคัญหรอก ถ้าดูคนเก่งเสียอย่างโอเคเขาวิจาร์กูว่าไงจองเริกยิ้มเย้ยอย่างคนถือแต้มเหนือกว่ามึงลองวิจาร์ตัวเองให้กูฟังหน่อยดิแล้วกูจะบอกว่าตรงกับที่ซายวิจาร์ไหมเพื่อหัดชักหัวเสียอยากลุกขึ้นเตะเพื่อนสักปาบมึงลืมแก้บนหรือเปล่าว่าเลิกเหมือนมีอะไรโดนใจให้พูดจาหน้าเตะเหลือเกินฉเฉลย ก, ก็ได้จองเิกยิ้มพลายอย่างถึงเวลาทิ้งไพ่สาคัญ เพื่อตีกันเพื่อนให้ห่างจากแฟนสาวกูเคยคุยกับทายอย่างเปิดอกว่าไม่หล่ออย่างกูเนี่ยเขารับได้ไหมเปรียบเทียบกับมึงที่เพื่อนๆยอมรับว่าหล่อยิ่งกว่าพระเอกหนังใต้สะดือเขาว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกให้เรียกหาความหล่อพรหัตยยกมือเกาศีรษะโมโหโจนขำเอานอเนื้อเนื้อเถอะขอร้องอยากรู้แค่เขาเห็นแวบเดียวนี่มาวิจาร์กูว่าไง ก็มองว่ามึงดูเหมือนเพลย์บอยท่าทางไม่น่าไว้ใจเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นสรุปคือแบบมึงนี่เขาไม่ปิ๊งหรอกพรฤหัสหน้าตึงเขาพูดอย่างนี้จริงๆเหรอจองเริกเบนกายไปทางป้ายชื่อสนามแบดมินตันแล้วเงยหน้าพนมมือขึ้นสูงกูขอสาบานต่อหน้าป้ายศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะให้การกับมึงตามสัตว์จริงหาไม่แล้วขอให้เกิดอาเพศ จูจูมีเหตุให้แผ่นป้ายหล่นใส่กระบาลอย่าเดินผ่านไปด้วยดีเทินพฤหัดครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งตั้งแต่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนี่ตลกเก่งเหลือเกินนะมึงแรงบันดาลใจอันบันเจิดทำให้เกิดอารมณ์ขันไม่รู้จบยัวมม่วโมโหเสร็จก็ทำหน้าขึงขังต่อยพี่น้องสองคนนี่เหมือนกันอยู่อย่างคือถูกเลี้ยงมาให้ดูคนเป็นเพราะฉะนั้นถ้ามึงคิดจะจีบฝน จงอย่าจีบหวังฟันเหมือนที่ผ่านๆมาจีบผู้หญิงถ้าไม่หวังฟันแล้วจะให้หวังทําอะไรวะเอาไว้ปักทูปปิดทองครองมาอะไรหรือไงก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นอย่างกูเนี่ยจีบซายติดเพราะคิดมีแฟนไว้คุยเล่นหรือไม่ก็เอาไว้เตือนสติเล่นคอมพิวเตอร์มากๆทําให้มึงโง่เสียแล้วเด็กน้อยเอาเถอะกูให้คําแนะนํามึงได้แค่นี้มึงจะรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาก็เลือกเอาเอง เอ๊เด็กหนุ่มอุทานและทำหน้าชงนขณะมองหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เพิ่งลงจากรถสงสัยยายนี่เป็นเนื้อคู่มึงจริงๆซะแล้วมั้งต่อยดูสิวันก่อนเรามาบ่ายก็เจอบ่ายวันนี้มาเช้าก็เจอเช้าอีกพรหัสมองตามพอเห็นแล้วก็เบิกตาด้วยความประหลาดใจเช่นกันเจ้าหล่อนคนงามที่เขากับเพื่อนมักเจอที่สนามแบดแห่งนี้อยู่เสมอนั่นเองหล่อนคนนั้นเหลือบมาเห็นเขาอยู่เหมือนกัน แต่ความที่กลัวแฟนหนุ่มท่าทางลูกอาเสียใหญ่หึงหวงจึงมองเมินไม่สนใจศกตาเกินสองวินาทียกมือเกาะแขนแฟนเดินหายเข้าสู่โรงแบดมินตันไปเออความแปลกใจทำให้ลืมเรื่องอื่นชั่วคราวดูเครียวหลงด้วยแฮะเห็นไหมกูบอกแล้วว่าความน้อยนั้นลดไม่ยากท่าทางมากับแฟนมึงจำได้ไหมสัญญากับกูไว้ว่าไงเพื่อหัสทาหน้าผากย่นสัญญาอะไร มึงบอกว่าเจอกันคราวหน้าต่อให้เดินมากับแฟนก็จะจีบให้ดูเพื่อหัดยิ้มมุมปากนึกออกทันทีแต่ก็พูดอย่างใจเย็นอยากให้กูรักษาคำสัตว์นักใช่ไหมเอออยากดูซิจะเก่งกล้าขนาดไหนชะมากับแฟนมีเลขกลนให้จีบได้ตอนนั้นสงสัยเห็นกูโง่โงหลอกอะไรเชื่อหมดประกายชนิดหนึ่งผ่านแก้วตาของเพื่อหัสแวบวาบกูไม่หลอก มึงจะได้ดูโชว์สมใจแต่กูต้องขอจังหวะหน่อยจองเริกเบ้นหน้ายิ้มเยาะแต่ัดสินใจทันทีว่านั่นเป็นการไม่รักษาคำพูดพรหัสไม่มีน้ำยาจริงตามที่คุยโมโอ้อวดเอาไว้ขนาดนั่นเองโตโยต้าวิชสีดำอันเป็นหนึ่งในพาหนะประจำบ้านนัชเลก็แล่นเข้ามาในเขตที่จอดรถห่างออกไปประมาณสิเมตรจองเิกหันไปเห็นเข้าก็ตบเข่าเพื่อนเบา พ่อเขาพามาส่งว่ะเดินไปสวัส ด, ดีกันหน่อยสองหนุ่มวัยรุ่นเดินไปยังรถขนาดครอบครัวสวัสดีครับคุณพ่อจองเริกยกมือไหว้บีดาของนัชเลอย่างนอบน้อมปณิธานนั่งรับไหว้ยิ้มยิ้มอยู่ในรถสายตามองเลยไปยังหนุ่มหน้าหล่ออีกคนด้วยอาการพินิษซึ่งเมื่อสบตากันพระหัสก็ยกมือไหว้บ้างอย่างไม่ขัดเขินสวัสดีครับอืมสวัสดีแล้วก็เบนสายตามาถามจองเกิก เพื่อนของเลิกหรือครับเรียนด้วยกันตั้งแต่มหนึ่งเป็นนายแบบหรือเปล่านี่จองเลิกเปิดทางให้เพื่อนเป็นคนตอบเองพเพื่อหัดยิ้มละไมเปล่าครับคุณพ่อผมขาดคุณสมบัติสำคัญของนายแบบไปข้อหนึ่งปณิธานทำน่าสงสัยข้อไหนชอบเกเรียนปณิธานหัวเราะชอบใจคิดว่าพอลูกๆ ก, กลับบ้านจะเตือนให้ระวังระวังเจ้าหมอนี่หน่อยท่าทางอาวุธแพรวพราว้ารอบตัวทีเดียว ขณะนั้นสองสาวไหวลาบิดาและลงจากรถไปยืนรอปณิธานจึงพยักหน้าให้สองหนุ่มไปเล่นแบดกันเถอะไปเมื่อโตโยต้าวิชเคลื่อนหายไปก็เหลือแต่พื้นที่ว่างสําหรับการพบปะของหนุ่มสาวเพื่อหัสถึงกับใจเต้นระทึกเมื่อจองเลิกทําหน้าที่ผู้แนะนํานี่สายนี่ฝนแล้วนี่เพื่อนเราชื่อต่อยสวัสดีครับเพื่อหัสพยักหน้าให้นัชเลกับละองฝนตามลําดับ ยิ้มแย้มเป็นมิตรโดยไม่มีประกายตากุ้มกริมเป็นพิเศษแถมพกเขาเก็บความรู้สึกได้ดีแม่หัวใจจะพองคับอกแทบระเบิดอยู่แล้วพี่น้องสองสาวยิ้มตอบนิดๆนันชเลเบนสายตาไปทางจองเริศและยะคิ้วให้หน่วยก้านของทีมชายไม่ค่อยเหมือนหมูเท่าไหร่เลยนิสงสัยจะเล่นไม่สนุกต้องสนุกสิจองเลิรีบเอาใจ อยู่ข้างเราเราจะพุ่งตัวแบบยอมเข้าถลอกแทนซรายเองสองสาวหัวเราะหุยเล่นกันเข้าะลอกเลยเหรอเรานั่งดูเฉยๆดีกว่ามั้งเนี่ยประโยคหลังน้ทะเลหันมาพยักพยเยิ้กับละองฝนซึ่งละองฝนก็รับมุกเลิกเล่นกับเพื่อนเลิกให้พวกเราดูก่อนแล้วกันนะฝนกลัวสิโครงหักเพื่อหัดทาตาโตเสนอหน้าบ้างฟังแล้วขนลุกเลยเข้าถลอกสิโครงหัก แค่เล่นแบดอาจถึงตายงั้นผมขอนั่งดูลาดเราด้วยคนแล้วหันไปบอกเพื่อนหนุ่มตกลงมึงเล่นคนเดียวไปก่อนจองเลิกเท้าเอวหัวเรอะเบาๆตลกเชียวจะให้ตีเองแล้ววิ่งไปรับเองเหรอแล้วเขาก็หันไปพูดกับสองสาวเอางี้สิทรายกับฝนถือเป็นคนดูที่มีโอกาสใกล้ชิดเหตุการณ์ก็แล้วกันไม่ต้องคิดมากลงไปในสนามนั่นแหละนึกสนุกอยากรับก็รับลูกไหนขี้เกียจรับ ก็ยืน อ, อยู่เฉยๆปล่อยให้พี่เลี้ยงจัดการโอเคนับแต้มยังนับไม่เป็นเลยนัชเลจีบปากบนก้มหน้าหมุนไม้แบดเล่นตีลูกให้ถูกก็พอที่เหลือให้พี่เลี้ยงจัดการเนื่องจากยังเป็นเวลาเช้าจึงมีสนามว่างอยู่หลายสวัยรุ่นหนุ่มสาวแบ่งข้างเล่นกันโดยจองเริกจับคู่กับนัชเลและพฤหัสจับคู่กับละองฝนความจริงสองสาวไม่ถึงกับมืออ่อนเท้าอ่อนตีไม่ถูก หรือวิ่งไม่ไหวดังคําถ่อมตัวขาดแต่ความฉับไวซึ่งตรงนี้ก็ถูกชดเชยโดยความเร็วของพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพบางลูกที่ถูกโยนไปยาวเกือบแตะเส้นหลังหรือบางลูกที่ถูกหยอดชนิดเฉียดเส้นขั้นกลางสนามถ้าเห็นผู้เล่นสาวเงอะเงอะงะงะผู้เล่นหนุ่มก็จะทําตัวเหมือนผีพุ่งใต้ไปรับลูกได้ทันเกือบทุกครั้งซึ่งนั่นทําให้รสชาติของการเล่นเต็มไปด้วยสีสันสนุกสนาน มีเสียงวีดว้ลุ้นกันบ้างประปรายเวลาแห่งการออกแรงตบลูกขนไก่แลกเหงือผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อแรกคล้ายเล่นเอาสนุกแบบกระชับมิดมากกว่าอย่างอื่นฝ่ายชายมักเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงตีตบช้อนลูกกันเต็มที่แต่พอเล่นจบเซตแรกซึ่งนับคะแนนแบบคู่ผสมข้างจองเริกกับนัชเลนำโดงถึง11ต่อหเพื่อหัดก็ชักหน้าไม่ดี เพราะทุกคนประจักษ์ว่าฝีมือหวดฉับของจองเริกนั่นเองเป็นตัวนําชัยและนั่นก็เท่ากับเขาน้อยหน้าปล่อยให้เพื่อนเป็นมือวางอันดับหนึ่งของสนามไปโดยปริยายหลังจากให้สาวๆกินน้ำและพักเหนื่อยสิบนาทีจึงเริ่มต้นเซตใหม่เพื่หัดก็ส่งตาชำาเลองใบหน้าน้าเลน้อยลงหันมาห่วงหน้าของตัวเองมากขึ้นพอสมาธิไม่แกว่งก็เริ่มเล่นได้น้าได้เนื้อกว่าเก่า บอกตัวเองว่าจะไม่ยอมให้สาวๆเห็นเขานำทีมแพ้2เซต ร, รวดด้วยแต้มขาดลอยเป็นอันขาดแต่จองเลิกก็เหนียวทนทา ย, ยาทแม้หลอกล่อด้วยลูกไม้ที่เคยได้ผลก็ไม่ได้ผลได้บางทีขนาดลืมอายแกล้งตบลูกยากไปทางน้ำะเลเจ้าเพื่อนผู้เก่งกาจอย่างหน้าหมันไส้ก็อุตส่าห์เสือกตัวเข้าไปรับได้อยู่ดีและเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งฝ่ายตรงข้ามได้แต้มมากก็ยิ่งมีโอกาสเสิร์ฟลูกมาก ความเชื่อมั่นของพื่หัสที่จะตีตื้นขึ้นมาก็ยิ่งลดน้อยถอยลงทุกทีการก้าววิ่งและความเคลื่อนไหวต่างๆของจองเลิกกลายเป็นจุดสนใจของใครต่อใครทั้งในและนอกสนามยิ่งรับลูกยากขึ้นเท่าไหรฝีไม้ลายมือก็ยิ่งปรากฏเด่นขึ้นเท่านั้นลูกเสียทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นจะเข้าเลยนัชเลรู้สึกราวกับอยู่ในสนามรบเห็นจองเลิกเป็นทั้งขุนศึกประจันบาลกับอริราชศัตรู กับทั้งคอยเป็นองครักษ์ปกปักพิทักษ์หลอนอีกโสดทำเอายิ้มอย่างอุ่นใจในหลายๆครั้งโดยเฉพาะเมื่อเห็นความว่องไวปลูดปราดเป็นลมกดของแฟนหนุ่มเปลี่ยนลูกที่ควรเสียให้กลายเป็นลูกดีราวกับพระเอกหนังซึ่งมีสเปเชียลเอฟเฟกต์เข้าช่วยให้ดูเก่งกาจเกินจริงเพื่อหัดเริ่มปาดเงือจากหน้าผากเมื่อจองเิกนาทีมทาแต้มได้ถึง10ขณะที่ข้างเ้าเพิ่งตามหลังมาเพียงห้า เฉียดแพ้อยู่รอมรอแค่แต้มเดียวเวลานั้นไม่ใช่การเล่นเอาแค่สนุกอีกต่อไปศักดิ์ศรีของคนรูปหล่อเป็นเดิมพันอยู่ทั้งแท่งหล่อแล้วไม่เก่งนี่น่าอายสุดทนในความรู้สึกของเขาโดยเฉพาะเก่งสู้คนหน้าคล้ายนกเขาแมวอย่างจองเริกไม่ได้นี่เหลือฝืนซะจริงๆพอตั้งท่าเตรียมรับลูกก็เห็นฝ่ายตรงข้ามยึกยักด้วยการส่งลูกขนไก่ให้ฝ่ายหญิงอะ ลูกสุดท้ายแล้วนะให้สายเป็นคนเสิร์ฟมั่งโอ้ยเดี๋ยวเสิร์ฟไม่ข้ามหรอกก็ช่างประไรไม่ข้ามก็ยังไม่เสียแต้มนี่ผลัดให้ฝั่งโน้นได้เสิร์ฟอีกทีมายืนด้านขวานี่มาเพื่อหัดได้ยินท่อยขำอ้อนอ้อนอื่นอนๆ น, นั้นถนัดบังเกิดความอยากถอดรองเท้าออกมาใช้แทนลูกขนไก่แกล้งตีไปกระแทกปากจะเพื่อนยากเหลือประมาณพอเห็นแฟนหนุ่มขยันขยอจริงจังในที่สุด นัทเลก็ยอมรับลูกมาถือจดจดจ้องจองด้วยมือซ้ายเสิร์ฟให้ฝนเหรอใช่จำกฎง่ายๆเสิร์ฟทางขวารับทางขวาลูกแรกต้องทะยามุมเสมอที่ผ่านมานัทเลเห็นแต่จองเริกทำหน้าที่หวดลูกเสิร์ฟปลิววือเฉียดเน็ตมาทุกครั้งพอต้องลงมือเองบ้างก็ขาดความเชื่อมัน่นเพราะทราบว่าไม่มีทางทาได้ดีเท่าหลอนเป็นแค่หวดแบบคาราเต้ หรือไม่ก็ป้อนลูกข้ามเน็ตใกล้ๆเท่านั้นแต่พองัดลูกพ้นตาข่ายได้ก็ยิ้มออกแล้วอองฝนรับลูกของหล่อนและโต้กลับมาแบบธรรมดาธรรมานาำทะเลก้าวท้าไปรับได้อย่างสบายแบบหลังมือแต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกสวนกลับด้วยพลังปะทะที่รุนแรงฉับพลันเพื่อหัดหวดแร็กเกตได้ราวกับผู้ชนานาญการตวัดแท้ลูกขนไก่แล่นฟยวเป็นลำตรง เรากับธนูเฉียดร่างน้เลจนหลอนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจเผลออาปากกว้างร้องเสียงหลงอหาววานึกว่าจองเริกจะช่วยช้อนรับจากด้านหลังให้อย่างเคยแต่ผิดคาดลูกที่ผ่านร่างหลอนไปไม่ย้อนคืนกลับไปสู่ฝั่งตรงข้ามอีกเป็นอันว่าเสียลูกให้อีกฝ่ายเสิร์ฟแทนเพื่อหัดใช้หลังมือปาดเงือข้างหางคิ้วอีกทีก่อนเสิร์ฟยังไม่กล้าให้แรงนัก เกรงว่าถ้าเสียโอกาสสุดท้ายไปแล้วจะไม่มีวันพระหนหน้าอีกแต่ก็เบาใจที่จองเริกตอบกลับแบบธรรมดาเช่นกันเปิดโอกาสให้เขาตั้งหลักเขาทำได้บ้างละอองฝนเฉยชาลงเหมือนเลิกใส่ใจผลแพ้ชนะไปนานแล้วและนั่นก็ทำให้เขาพานพาโลหุดหงิดหลอนข้าที่ไม่สามารถเป็นกำลังช่วยเหลือได้เลยจะเอาแต่ยืนปักหลักรอลูกมาตรงตัวอย่างเดียวต่างจากนชเล ถ้าอย่างออกท่ากระตือรือร้อนวิ่งเข้าหาลูกบ้างยังดีที่จองเลิกเนยเนยลงสงสัยคงเหนื่อยกับการกลางปีกคุ้มครองเจ้าหญิงมิฉะนั้นเขาต้องรับศึกหนักเหมือนโดนสองรุมหนึ่งไปแล้วและการที่จองเริกปล่อยให้แฟนสาวรับหน้าเสือเป็นส่วนใหญ่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างคะแนนฝ่ายพระหัสถจึงตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจากห้าเป็นหจาก6เป็น7จดจาก7ดเป็น8จาก8เป็น9 กระทั่ง10ต่อ10เท่ากันในที่สุดเพื่อหัดโล่งอกเรากับยกภูเขาออกจากอกตะโกนถามตามสิ์ที่จองเลิกได้10บแต้มก่อนว่าไงพวกจะเล่น11หรือ13 11นั่นหมายความว่าตัดสินกันไปเลยแบบแต้มเดียวขาดไม่ยืดเกมต่อออกไปถึง13แต้มตามกติกาที่ฝ่ายจองเลิกมีสิทธิ์เป็นผู้กำหนดเพื่อหัดยิ้มมุมปากหัวใจเต้นแรง จองเลิศคงคิดว่าคู่ต่อสู้เหมือนหมูนอนรอให้เชื้อดกระมังจึงแน่ใจว่าแต้มเดียวจะโถมแรงคว้าเอาเมื่อไหร่ก็ได้ฝันไปเถอะวะหันไปยิ้มให้สาวน้อยข้างกายตนหลอนยิ้มตอบหน่อยๆใจเพื่อหัสไม่ถูกบาดด้วยรอยยิ้มและคมตาเจ้าหล่อนเหมือนอย่างที่โดนจากสาวฝ่ายตรงข้ามเอาเลยพี่น้องสองสาวมีความละไม้กันในบางมุมมองถ้าช่วยพูดแบบไม่ให้เสียกําลังใจ จะว่าสวยไล่เรียกกันก็ได้แต่โดยรวมแล้วมีความต่างซึ่งเขาสัมผัสชัดคนพี่ขาเสน่ห์บางชนิดที่เปล่งประกายใายชัดอยู่ในคนน้องเขาคิดไม่ออกว่าจะเรียกประกายเสน่ห์ชนิดนั้นว่าอะไรและเพราะคิดไม่ออกกับทั้งพยายามคิดไม่เลิกนี่เองกระมังสาวน้อยชื่อสายจึงกลายเป็นบุคคลพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจอยู่ตลอดเวลาสลัดความฟุ้งซ่านออกจากหัว ทันกลับไปตั้งสมาธิกับลูกตัดสินชะตาเขาเสิร์ฟแบบธรรมดาเมื่อจองเริกโต้กลับมาแบบหยอดฝั่งซ้ายเพื่อหัดก่อี่เข้าไปรับอย่างไม่ไว้ใจสาวข้างตัวงัดลูกโด่งขึ้นกะให้ย้อยไปตกเกือบถึงเส้นหลังกะว่าถ้านัชเลเป็นผู้รับลูกคงลอยกลับมาให้เขาหวดควับใส่จองเริกพระเดชศึกเอาชนะเซตนี้ไปได้แบบสายฟ้าแลบนัชเลสวนลูกคืนกลับมาเต็มแรงแบบเออเออ และเพียงแลด้วยหางตาพระฤหัตก็ยิ้มทันทีเพระาะทราบว่าลูกนั้นออกนอกเส้นข้างแน่ๆไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแรงไปรับแต่เขาต้องตาเหลือกเมื่อเห็นละองฝนวิ่งต้วมเตี้ยมออกไปรับแบบไม่รู้อีโนอีเน่อย่ารับพระฤหัตตะโกนห้ามดังๆแต่สายไปเสียแล้วละองฝนตีลูกคืนกลับไปยังฝั่งตรงข้ามหน้าตาเฉยพรฤหัตแทบถึงศรีรษะตนเอง ทีลูกอื่นที่ควรออกแรงวิ่งไปรับกลับยืนเป็นเทวรูปแต่ลูกนี้เสียชัดๆดันสลน์ออกไปช้อนรับไว้แถมช้อนลอยพอเหมาะแบบให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามตบอย่างงามเสียอีกด้วยไม่มีเวลาให้กับความหัวเสียมากนะักเพื่อหัดหันมาดูสถานการณ์ตรงหน้าเห็นจองเรกิกกำลังกระโดดขึ้นสับคารเต้ถนัดถนัดแล้วถึงกับใจหายวา่าเพราะรู้ริดดีว่า ถ้าจับจังหวะเหมาะได้อย่างนี้เจ้านี้ตบลูกทำองศาต่ำทิ่มไปถึงท้ายสนามได้ในพริบตางดงามและเฉียบคมเสมอปล่อยแร็กเกตพร้อยเตรียมทำใจเสียลูกนั้นดีกว่าทว่าปาฏิหาริย์คงมีจริงแม้จองเลิกหวดเปรี่ยงเหมือนจอมดาบผู้เครี้วกราดดังเคยแต่กดผิดองศานิดหนึ่งลูกตรงตาขายไม่ข้ามฝั่งเพื่อหัดลืมตาโพรงยิ้มยินดีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เราไม่ใช่เพียงแค่จองเริกพลาดลูกสำคัญในโอกาสทองแต่ยังส่งผลให้ข้างเขาชนะในเซตนั้นกลายเป็นเสมอหนึ่งต่อหนึ่งต่ออายุไปวัดดวงกันในเซตหน้าจองเลิกยังคงทำหน้าเฉยๆไม่ออกอาการใดๆกับความพลาดพรั้งของตนแถมยังยิ้มแย้มยื่นหน้าบอกแฟนสาวว่าจบเกมแล้วเสมอกัหนึ่งต่อหนึ่งหยุดพักข้างสนามได้นั่นทาให้พฤหัสผิดหวังเสียเอง เขาอยากเห็นจองเริกออกท่าเสียหน้าที่ตบลูกพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยแทนกันยิ้มระรื่นเหมือนเป็นฝ่ายชนะเสียเองอย่างนี้โอยเหนื่อยจังเหมือนจะขาดใจเราอองฝนบน่นน้ะเลกำลังอาภาขนหนูชุบโคโลนเช็ดคอก็ขานรับจริงด้วยดูสิเหมือนเล่นสงการานเงือกันแท้ๆเลยแล้วหล่อนก็หันมาถามแฟนหนุ่มเิกไม่เหนื่อยมั่งเหรอทำหน้าสดชื่นเหมือนเป็นคนดู ไม่ได้ออกแรงเล่นมาด้วยกันงั้นแหละทรายกับฝนต้องออกกำลังบ่อยๆจองเลิกแนะยิ้มมจะได้เหนื่อยยากกว่านี้เหลืออีกเซตหนึ่งเดี๋ยวพวกเธอเล่นไปกันเถอะฝนไม่ไหวแล้วละองฝนอุทรซึ่งนทะเลก็ขานรับทันทีทรายก็ไม่ไหวหนุ่มๆเชิญเล่นกันต่อนะคะเดี๋ยวจะคอยส่งใจเชียร์อยู่ตรงนี้เอาเถอะไม่ไหวก็ไม่ไหวไปนั่งทานอะไรกันในห้องอาหารมุมโน้นดีกว่า มีของอร่อยหลายอย่างอ้าวจะค้างไว้เครื่องเกลางอย่างนี้เหรอพระฤหัสประท้วงเออกูก็หมดแรงแล้วถ้าอยากเล่นต่อก็ไปขอคู่นั้นเล่นด้วยดิจองเลิกพูดอย่างรู้กันว่าหมายถึงสาวที่ปิ๊งกับพระฤหัสบ่อยๆพระฤหัสขมวดคิ้วนิ้วหน้ากำลังมือขึ้นๆจึงหงุดหงิดที่ไม่ได้โค่นคู่ต่อสู้ให้สาวชมแต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้ จำต้องกัดฟันกรอดกรอดเดินไปทางห้องอาหารตามมติของหมู่คณะขณะมายืนคู่กันรอของว่างที่สั่งนัชเลียงหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูคนรักเพื่อนเธอท่าทางเอาจริง เ, เอาจังเหลือเกินสง ส, สัยกลัวแพ้มากคนหลอก็เงี้ยแหละจองเริกเหลือบตาลงต่ําตอบกล้วหัวเราะด้วยความขบขันระคนพึงใจเพราะฟังรู้ว่า นัชเลไม่ประทับใจท่าทีกระเฮียนกระหือรืออยากจะเอาชนะจนออกนอกหน้าของพูรหัสเอาเลยเมื่อกี้เริกช่วยรักษาหน้าเขาเหรอลูกไทยท้า ย, ายแกล้งอ่อยให้ใช่ไหมแฟนหนุ่มยักไหล ย, ยิ้มเน่อยจนนัชเลต้องใช้นิ้วคีบปลายแขนเสื้อเขาขย่เาเบาๆตอบหน่อยดีอยากรู้เจตนาจองเลิกเบนสายตามาทอดจับแฟนสาวโดยแววอ่อนโยน ทรายชอบคนมีน้ำใจมากกว่าพวกชอบไล่บี้ชาวบ้านใช่ไหมล่ะเราอยากชนะใจทรายมากกว่าชนะแบดนะแน่หรือว่าเข้าใจถูกทรายอาจจะชอบผู้ชนะก็ได้ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ชนะกันทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้จักทรายถ้าเราไม่รู้ว่าทรายแตกต่างจากผู้หญิงอื่นยังไงจะเอาอะไรไปทำให้ทรายยอมรับเราได้ถ้อยคาของเขานิ่มนวลมาก นัชเล่ครึ่งยิ้มครึ่งหัวเราะมองชายตรงหน้าที่หล่อนรับเป็นแฟนคนแรกด้วยประกายพิศวงแปลกแท้ๆ แ, แค่เรื่องธรรมดาคำพูดก็แสนธรรมดาแต่กลับก่อให้เกิดปิติตื่นตันขึ้นมาได้ท่วมท้นล้นอกถึงขนาดนี้หลอนว่าหล่อนเริ่มรักจองเริศขึ้นมาจริงๆแล้ว